องประกอบของมัชชิมาปฏิปทาหมวดสมาธิข้อที่สองเรียงลำดับตามมัชมีองแปดคือข้อเจ็ดสัมมาสติคำจำกัดความสัมมาสติเป็นองค์มักม์ข้อที่สองในหมวดสมาธิ จัดเข้าในอธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความในพระสูตรคือในมหาสติปฐานสูตรที่คณิกายมหาวกักมีพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นฉะไหนนี้เรียกว่าสัมมาสติคือภิกษุในธรรมวินนันนี้หนึ่งตามเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลกสองตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลกสามตามเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัส<ถ pug>ในโลก 4. ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัตในโลกคำจำกัดความอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในคำพีอภิธรรมว่าดังนี้สัมมาสติเป็นไนสติคือการคอยระลึกถึงอยู่เนืองเนืองการหวนระลึกก็ดี สติคือภาวะที่ระลึกได้ภาวะที่ทรงจำไว้ภาวะที่ไม่เลือนหายภาวะที่ไม่ลืมก็ดีสติคือสติที่เป็นอินทรีย์สติที่เป็นพละสำ ม, มาสติสติสัมโพชชงที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสำ ม, มาสติสัมมาสติตามคำจำกัดความแบบพระสูสดนั้น ก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั่นเองหัวข้อทั้งสของหลักธรรมหมวดนี้มีชื่อเรียกสั้นๆคือ 1. กายานุปัสสนาการพิจารณากายการตามดูรู้ทันกาย 2. เวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนาการตามดูรู้ทันเวทนา 3. จิ ต, ตานุปัสสนา การพิจารณาจิตการตามดูรู้ทันจิตสี่ธรรมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมต่างๆการตามดูรู้ทันธรรม